ระธรรมเทศนาแผ่นที่58ดลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์5 7มีชื่อเรื่องว่าเผาทั้งโคดที่หลวงพ่อถามเมื่อกี้ในถามพระทั้งพระทั้งหมาป่วย หมาก็ป่วยพระก็ป่วยหมาก็ท้องบวมเหมือนกับ น, น้ำท่วมปอดลักษณะอย่างนั้นน่ะทั้งหมอขอนแก่นเขาปรวรณาเราเปิดคลินิกใหญ่ที่ขอนแก่นเขาปรบารนาเลยเอาหมาไปรักษารู้สึกว่าดีขึ้นมากพอกลับมาพวกกูบาก็คิดว่ามันจะหายเลย หมอเขานัดไปอีกไม่ไปตามหมอนัดเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่งานมันยุ่งก็เลยไม่ได้ไปท้องมันเลยบวมขึ้นมาอีกเอาไปเขานี่รู้สึกว่าอาการหนักพอสมควรแต่คู่บาที่ไปตรวจน้นก็มาอยู่ที่วัดเราหลายปีพอจะมาตรวจฟันแท้ หมอมาตรวจฟันเขามาวัดความดันความดันมันสูงหมอก็เลยไม่กล้าทำฟันผลที่สุดก็เลยส่งไปหาหมอที่ศูนย์อุดรสาเหตุที่มันสูงเพราะอะไรเลยตรวจไม่เจอกเกือบสองปีแล้วไม่แต่ให้ยากินหลวงพ่อก็เลยส่งไปศีนครินศีนครินเขาบอกว่ามันคงจะเกี่ยวกับหวัวใจเกี่ยวกับไต เกี่ยวกับเครื่องในฮะพูดไ ง, ไง่ายๆมันไม่ใช่เกี่ยวแต่นอกๆต้องใช้เวลาตรวจนานพระก็เลยไปด้วยกันสององค์ไปนอนอยู่ที่ตึกสงอาพาธโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนี่เป็นคืนที่สองนะตรหลวงพ่อถามเมื่อกี้เป็นยังไงอาการพระป่วยแต่ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไระเพียงแต่วความรัน ความดันมันสูงผิดปกติตั้งที่พระอายุเพียง30กว่าปีถ้าไม่รักษากันพร้อมที่เส้นเลือดจะแตกในสมองเป็นอามตะพึ่งอามะพาดนี้ยิ่งไปใหญ่เนี่ยพราะนั้นรีบรักษาจะต้นมือรักษาตรวจให้พบว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายเนี่ยพระก็เลยไปเฝ้ากันแต่วันนี้ก็พระ ทั้งหมด29องค์น ะ, พ, ะ 29, นน 1, พระ29สิเมณะหนึ่งพระลงมาฉัน26หงดฉัน4ี่โรบวันนี้แต่นับทั้งพระไปป่วยด้วยก็ส1อองค์ใชวันนี้เป็นวันที่หกกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เจ็ด วันนี้เป็นวันวันหนึ่งที่เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับกรรมกรรมคือการกระทาแต่เมื่อวานพูดเกี่ยวกับอดีตกรรมอดีตกรรมของนางสามาวดีที่ถูกเผาไฟทั้งเป็นเพราะได้เผาพระประเจกพุทธเจ้า แล้วก็นางคุชชะชุดชาชุดราที่เป็นตัวค่อมเพราะกรรมล้อเล่นกับพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคนใช้เพราะว่าใช้ให้พระ อ, อรหรันต์ภิกษุณีหยิบของมาให้ตนเองแต่ว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะว่าได้นปนิบัติปฏิบัติ พระปเจกพุทธเจ้านะเรื่องกรรมกรรมคือการกระทําให้ผลคนละทิศคนละทางกันถ้าช่วงไหนกรรมชั่วกรรมชั่วกับโพออกมาให้ผลถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็ขายายผลออกมาอันนั้นคืออดี ต, ตกรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านดจตรัสจะรู้ที่โคลนต้นโพท่านยังว่า ปุเปในวาสานุจติยานระลึกชาติหนหลังได้การระลึกชาติหนหลังได้เนี่ยต้องมองดูบุพกรรมแต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนว่าใครได้รับกรรมไหนบ้างในอดีตมาในชาตินี้เขาจึงได้รับเขาจึงได้เป็นอย่างนี้จึงรวยจึงมีฐานะดีมีความโรดีการบริหารจัดการไปได้ดี แต่คนนี้ทำไมทาไมจึงไม่ดีเลวอะไรก็เสียหายหมดเพราะอะไรพราะพู้ได้้าตรึงก็รู้พระหันที่ท่านมีญาณรัศนะท่านก็รู้เพราะว่ากรรมชั่วให้ผลคนนี้กรรมดีให้ผลในช่วงดีกรรมให้ผลพวกเราก็อย่าประมาทควรประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดทำกรรมชั่วถ้าว่าใครก็ตามพอมีฐานะสูงขึ้นมาเราก็คิดทำแต่กรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลอย่างนางคู่ปรับของนางสามาวดีนางกติยานางสามาคันธยาคันธยะเป็นเป็นอาคันธยาเป็ น, เ ป, น, เ, น, เ, ปน เ, เป็นหลานแต่ตามไม่จริงในปัจจุบัน ที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนี่ก็เป็นนิทานมาในพระไตรปิฎกในเรื่องเดียวกันแต่วันนี้จะขา ย, ายายผลว่ากรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันนกัำกรรมทํากรรมอันไหนไว้ในปัจจุบันนการกรรมได้รับยังไงคือนางสามาคันธยาเป็นลูกของพราหมณ์แต่พระพุทธเจ้าท่านนั่งนั่งสมาธิหรือว่าเข้าฌานหรือว่าตอนก่อนใกล้รุ่ง พระพระเจ้าจะเข้าสมาบัติคือเข้าฌานแล้วก็มองมองดูสัตวโลกทั้งหลายใครจะเข้ามาในในข่ายในพยานที่จะแนะนําสั่งสอนในวันนี้แต่ที่ท่านก็มองไปเห็นพราหมณ์สองตายายอยู่ในชนนบทแต่เป็นผู้มีศรัทธาพระองค์ก็ไปโปรดไปโปรดพราหมณ์ผู้เป็นสามี ที่เขาไปในท้องนาเขาไปทำธุระในในนอกบ้านเอ่อทีนี้ก็พระพุธองก็บอกว่าพราหม์มีอะไรทำยังไงแต่นี่พราหมณ์เห็นพระพุทธทเจ้าแล้วโอ้โหพระคุณนี้ทำไมสวยงามขนาดนี้ปุริสาลักษณะเข้ากับตำราพราหมณ์ทั้งหมดสมควรที่จะเป็นลูกเขยของเราลูกสาวของเราก็ไม่ใช่ย่อยงามที่สุดใน ในท้องที่นี้ฮะจากนั้นท่านอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปบอกแม่บ้านกับลูกสาวมาหาใครเข้ามาคุยกันมาเจอกันพอเห็นแล้วก็ถูกชะตากรรมถูกตากันนะก็เพาะเหตุไรก็เพราะว่าพาราหมณ์คนนี้เคยเป็นพ่อของพระพุทธเจ้ามาทั้งห้าร้อยชาติติดต่อกั น, นเน่ทีนี้ท่านก็เข้าไปเข้าไปบอกแม่บ้านกับลูกสาวออกมา แต่นี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าออถ้าว่าเห็นมองเป็นธรรมดาก็ธรรมดาไปพระพุทธเจ้าสแสดงฤทธิ์เหยียบเหยียบรอยเท้าไวต้ตรงนั้นแหละตรงที่พบกันกับพรามณ์เหยียบรอยเท้าไว้ให้เห็นแต่นี้นางออกับลูกสาวกับพ่อก็อมาพอดีมาเ อ, อ๊ะท่านออส ม, มณะจู่ตรงนี้หายไปไหนวะ ก็เดินไปดูๆไปเห็นเห็นลอยพอเห็นรอยลอยเท้านางพรามเนี่ที่เป็นแม่บ้านของพรามโอ้อันนี้มันลอยเท้าอย่างนี้ตามตำราพรามเน่คือเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะ เ, าเป็นผู้หมดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วอันนี้คือบุคคลที่เหนือโลก เนตำราพราหมณ์เขาบอกกันมาเป็นทอดๆมานะอย่างนี้นพราหมณ์ก็บอกเอ๊ะผมก็ได้นัดท่านท่านส ม, มณะคนนั้นไว้ที่นี่นะจากนั้นพระองค์ก็เลยคลายฤทธ์ก็เลยอเดินออกมาพอเดินออกมาแล้วก็พราหมณ์ถ้าพราหมณ์ก็สองตายายก็บอกว่าท่านสั ม, มณะในลูกสาวของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าจะขอมอบให้ให้กับท่านเป็นภรรยา เพราะผมสองตายายนกว่แกแล้วสมบัติก็มีมากพอจงควรฐานะก็ไม่แพ้ใครในท้องถิ่นลักษณะอย่างนั้นหละท่านมาครองเป็นฆราวาสซะ พ, ะพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์เราไม่ยินดีที่จะคลองฆราวาสท่านก็เทศให้พราหมณ์สองตายายฟังเทศให้ฟังแบบสุดๆอะไร่างนั้น่น สองตายายนะก็ฟังธรรมเทศนาได้สําเร็จพระอนาคามีนะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะีผู้ที่จะได้สําเร็จพระอนาคามีไม่ใช่ธรรมดาเกือบถึงพระรหันต์นะเป็นทำขั้นขั้นที่สเลยพระโสดานะีพระโสดาเป็นขั้นแรกพระชะกฐาคามีเป็นขั้นสองพระอนาคามีเป็นขั้นที่สเป็นพระรหันต์เป็นขั้นที่4ี่เราว่ามรซีผลซีทิพพันหนึ่ง อนท่านได้สาเร็จเป็นพระนาคามีทั้งสองตาใหญ่เออแต่จากนั้นเอาเอาล้วนะพาม เ, าเราไม่สนใจเราเรื่องการมกิเลส ท, ทั้งหลายเออเราเบื่อมันตั้งแต่อยู่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเออเราชนะแล้วเรื่องการมกิเลส ท, ที่โค้นต้นโพทั้งกับมรรยาทลักษณะไม่มีความเยื่อใยเอ่อจากนั้นพระโนก็เออหายปั๊บแต่ใ น, นพอนาง นางสามาคันธยาในคำหนึ่งในคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเทศให้พ่อแม่ตัวเองฟังบอกว่าเรื่องกามมักเกลิดเรามองเห็นเพศตรงข้ามผู้ใดก็ตามขนาดมือเราจะแตะเราก็ยังไม่ยังกลัวขยะแยงขนาดเท้าเราจะแตะเราก็ยังกลัวยัง ยังกลัวความเปรอะเปื้อนไงไอ้คำนี้แหละเป็นคําที่นางสามาคณียาโอ้หสมณะองค์นี้นี่ถ้าไม่รักก็ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวมาดูถูกถึงขนาดนี้อีกเราก็ไม่ใช่คนคนขี้ร้ายขี้เละเราก็เป็นหนึ่งในถิ่นนี้เหมือนกันทําไมสมณะองค์นี้ถึงพูดเหยียดหยามเราถึงขนาดนี้ แต่ตามไม่จริงพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เหยียดหยามบุคคลใดใครผู้หนึ่งแต่เป็นการเหยียดหยามในใจของแต่ละคนแต่ละคนไม่ว่าใครทั้งหมดถ้ายินดีในในเรื่องนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องการมรดกเป็นเรื่องเวียนไหวตายเกิดในวัตะสงสารแต่นางนี่มองไปทางโลกสุดๆเอาถ้าข้ามีโอกาสเมื่อไหร่ข้าจะต้องจัดการกับส ม, มณะ โคมท่านนี้นเนี่ยแหละผูกอาคาตนะผูกอาคาตในพุทธจ้าวจากนั้นสองตายยายท่านก็เลยสำเร็จเป็นพระนาคามีจากนั้นท่านก็ไม่นานแล้วก็ละขันของท่านก็เข้าสู่พรหมพรหมพรหมโลกพรหมอวิหาอตตาปาทุศสาทุสเสียกนิฐาพรหมคือพรหมพระนาคามียแต่ตอนนี้ท่านก็มอบลูกสาวให้กับอา น้องพ่อซึ่งนายคธิยาคธิยะต่อมาก็สองตายายนั้นก็อนน่ยนะพระองค์บอกว่าสองตายายนี่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ของเรามาติดต่อกันถึงห้าร้อยชาติเพราะนั้นเห็นเราเนี่ยเหมือนกับเห็นลูกในปัจจุบันปัจจุบันเพราะความรักในติดพบติดชาติมานาน แต่ทั้งเขาไม่ได้พูดถึงนางสามาคันธยานี่เป็นอะไรทําไมจึงมาผูกอาคาตพยาบาทจองเวรถึงขนาดนั้นนะพอต่อมาทางสามาคัทิยาได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนท่นี่เพราะว่าเป็นผู้มีร่างกายสิทธสวยงดงามเขานายคัทยาเนี่ยเขาเอามามอบให้พระยาอุเทนมีอุเทนก็รับเป็นอัครมเหสี แล้วก็เป็นคู่แข่งของนางสามาวดีแท้ๆนั่นแ ะ, ะอิจฉากันเนี่ยนะความอิจฉาตัวนี้แหละในปัจจุบันเนี่ยเนีสา ม, ามาวดีเนี่ยเป็นผู้ยินดีเคารพในพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สาเร็จพระโสาดาบันทั้ง500อคนในบริวารแต่สามาคัญญาเนี่ยว่าเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามาในเมืองเท่านั้นแหละจ้างคนด่า ด่าพระพุทธเจ้าคนนั่นเอาเงินจ้างเขาใครด่าพระพุทธเจ้าได้เอ้าจะให้รางวัลนะนะสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะจตหายาจูงลูกหลานนะจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าด่า10บคาพูด10บประการที่คําด่าสันขาสรรหาคําพูดให้ด้วยนะไออูดไอบัวไอควายไอหัวล้นไอนาลก ไอ้สารเลวเนี่ยหละลักษณะอย่างนี้แหละคำด่าของเขาในสมัยนั้นดา่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตั้งห0 0ร้อเดินบินทบาทในเมืองพวกนี้ลุมด่าเหมือนกับหมาหมาไล่เหา่าเห่าคนลักษณะอย่างนั้นแหอไปที่นี้นก็ลุมด่าพระสงฆ์ทั้งหลายผู้มีกิเลสอย่างพระ อ, อนนเนี่ยรับไม่ได้นะเนีย่ยพระ อ, อนนเ์รับไม่ได้ว่าพระพุทธองค์ กับเธอหนีไปอยู่เมืองอื่นเดอะเพราะพุทธเจ้าข่าคนด่าเล่าเกินเนี่เหมือนกับเรานี่ทุกข์ยากแล้วเล่าเกิน่ะถึงอยก่ก็ลุกทุกข์ยากขอบินทบาตแต่ก็ไม่น่าจะด่าถึงขนาดนี้ทําไมจึงด่าขนาดนี้พระองค์บอกว่าจะไปที่ไหนละอาหน น, นั่นแหละไปเมืองสาวัตถีนั่นแหะที่คนนับถือมากๆไปเห็นเขาด่าเราถ้าต่อไปเมืองสาววัตถีด่าเลยจะไปไปราชคือเหมือน ข้าราชการข้นเขาดา่าไปสาเกตโกสัมพีไปเรื่อยเมืองเขาที่ไม่ดา่านพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลย อ, อ, น, อนุนเรื่องมันเกิดที่ไหนควรจะให้มันดับอยู่ที่นั่นซะก่อนอย่าค่อยไปถ้าไปอย่างนั้นแปลว่าไม่มีที่สุดสุ ด, ส ด, สดไปแล้วเขาก็ด่าไปเรื่อยอย่างนั้น เ, เราตถาคตรปราถนามา เ, เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ถึงใครจะด่าก็ด่าเถอะไม่เกินเจ็ดวันอนตนเดี๋ยวเลือกเขาด่าจะหายเงียบไปอันนี้เขาเราปรารถนามาจากนี้เพราะนั้นไม่ต้องนั่นแหะให้อยู่ในความสงบพอถึงเจ็ดวันเขาก็หมดคําด่าเหมือนกันเงียบเก็บเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะในกลุงอุชเชนีพญาอุเทนนะจากนั้นก็นานนี่กนะ็ยังโมโหอยู่ให้อาของตนเอง เอาอาหารเอาไก่มาไก่ตายมาแปดตัวไก่เป็นมาสิบตัวแล้วก็ส่งให้นางสามาคณียาเนี่ยไปทำอาหารถวายถวายพระเจ้าอุเทนเนี่ยนางสามาคันียาไปทำได้ยังไงเพราะไก่ไก่เป็นพระโสดาบันใช่ไหมนางโมทำไม่ได้แล้วก็นี่เอาส่งไก่ตายไปให้เอาไปทำให้ส ม, มณะโคดม นางก็ทำเลยยินดีทาไปถวายพระเออกเน่แหละเห็นไหมพญาอุเทนเหมือนกันฟ้องพระสวามีของตนเองเอพอเป็นอัคคะมเห ส, สีสองคนนี่สามาคันทยากับสามาวดีพระเจ้าอุเทนท่านกใจหนักแน่นก็เฉยก็ไ ม, ไม่ไม่ว่าอะไรต่อไปก็หาเรื่องใส่หาเอางูใสมีอะไรต่อมีอะไรผลที่สุดก็ให้ อาตัวเองไปเผานางสามาคันธยาเนาี่ยพระเจ้าอเท็นก็เสด็จไปอยู่นู่นดูอุทยานเผาทั้งนั้นเลยพระเจ้าเทนกลับมาที่ไหนได้เผาหมดทั้งห้าร้อคนเลยท่บริวารของนางสามาวดีเออทีนี้นพระเจ้าเทน็นจุกเหมือนกันนะโอ้ไม่รู้จะเอายังไงวะมันใครเผาวาแต่มั่นใจว่านี่คงเป็นสามาคันธยาน่ยเพราะมัน หลายเรื่องมันหาเรื่องใส่เขาอยู่ตลอดแต่เราก็เฉยๆแต่ถ้าเราจะขู่นะีคงไม่ตอบคงไม่บอกเราแน่ๆคงไม่บอกเราเราคงจะใช้แบบใช้แบบดีๆพูดดีๆใช้เลี่ยเลี่ยมจะดีกว่าแต่นั้นพยาวปูเทนก่อนจาัด ก, การเก็บสิ่งของที่เขาเผาอาคารทั้งคนทั้งกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก นั่งโตสเสวยแล้วไง น, นางสามากัญทยาในกดดีใจว่าตัวเองประสบสําเร็จแล้วทนีงพระเจ้าอุเทนเขโอ้เราคิดว่าเนี่ยที่เรื่องต่างๆที่เผาเอาราชสวังเนี่ยเราคิดว่าคนที่จงรักภักดีเราน่ะที่ทํำนี่นะคนที่จงรักภักดีรักเรา เ, า เ, าเาขาจึงทําอย่างนี้ ถ้าว่าเขาไม่รักเราเนึ่งเขาคงไม่ทำเขาคงจะเนี่ยผู้ที่ตายไปเนี่ยคงจะเป็นคู่อิจฉาถ้าเราอยู่ต่อไปเราคงจะตายเขาคงจะจัดการกับเราเพราะนั้นคนที่รักเราเนี่ยนั่นเขาคงจะจัดการให้แทนเราเนี่ยในเรื่องนี้นนางสามาคติยาอยู่ใกล้ๆจะเป็นใครไปวะเนยฉันเองจัดการเพ่น โผคนมานักเรงคนนะ่ะผลีนสุดพระเจ้ า, าเทนเอออย่างนั้นเหรอผวนเาอาจับนะเพราะว่าพระเจ้ า, าเทนเป็นธรรมนั้นดูรสามาคันธยาออสามาวพอดีนะั่นเป็นคนเป็นผู้มีศีลธรรม เ, ออเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นความแปลกแตกต่างนะพลเนอคก็จับพอจับจะเอาเรียกมาทั้งหมดตระกูลแต่แท้แรกไม่ใช่ อ, อพอไม่ได้จับหรอก พอชามาคณยาใช่ดิฉันนั้นเป็นผู้จัดการโอ้ควรจะให้รางวัลไปไปเรียกญาติมาเ อ, อพอไปเรียกญาติทั้งหลายมาพวกทั้งหลายญาติทั้งหลายที่ขี้โลภในทรัพย์สมบัติใช่ไหมโอ้พระเจ้าแผ่นดินคงจะให้รางวัลคราวนี้หนะอ่อยพอเรียกญาติมาหมดแล้วจับพอจับเสร็จแล้วก็ขุดหลุมเอาดินฝังเพียงแค่เอวจากนั้นเอาฟางมา เอาฟังมาใส่ลงไปแล้วไฟเผาเลยมันนะเผาฟางตายมด น, นี่แหละตามไม่จริงหลงพ่อพิญนาดูแล้วสักจะเกินไปเหมือนกันนะพวกญาติญาติเขาไม่รู้อินโหอินเอจับมาเผาไฟเพราะว่านางสามาคันธยาเนี่ยเป็นต้นเหตุแล้วก็มันคงจะพวกญาติก็คงจะพร้อมใจกันมั้งพระเจ้าโอเทนคงจะคิดอย่างนั้น มันจึงวางแผนกันถึงขนาดนี้เพราะนั้นมันเผามันทั้งญาติฆ่ามันทั้งโคตร <c oughs> คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะดูๆหลวงพ่อดูแล้วโอ้โหเหี้ยมเกินไปหัวนโนบโุก็เลยตายทั้งหมดนี่แหละอันนี้คือคือสรุปแล้วก็คือปัจจุบันนกักรรที่มองเห็นก็คือนางสามาคันธยาผูกอาคาตในพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่าน ไม่ลหลงไหลในเรื่องการมกิเลส เ, เพราะชาตินี้เราได้สำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เ, เราหมดจดจากกิเลสแล้วเราไม่เยื่อใ ย, ยแล้วในเรื่องทางโลกต อ, อนนี้ก็นางตอนนี้กับผูกพยาบาทที่พระพุทธเจ้าไม่ขนาดเท้าก็นไม่อยากจะแตะ เ, เรื่องเพศตรงข้ามเอาพระง์ตัดอย่างนั้นก็เลยผูกอาคาตจุดนี้ เป็นจุดที่รุนแรงนะจากนั้นก็ได้เผาคู่ที่ใครนับถือพระพุทธเจ้าแปลว่าเป็นอริศตูกับนางทั้งหมดจากนั้นก็ได้เผานางสามาคดิยาทั้งหอปราศาสตรเลยทั้งบริวารด้วยนี่แหละพาะนสุดตัวเองก็ได้รับกรรมเพราะนั้นพท่านจึงตรัสว่าการจองเวร การอิจฉาเนี่ยความอิจฉาอยู่ที่ไหนความบรรลัยอยู่ที่นั่นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเป็นพุทธศาสนิกชนถึงจะอิจฉาใครขนาดไหนก็เถอะเราต้องเพ่งมองไปในอดีตอดีตกรรมของเขากรรมของเขาอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุพเพเนวาสารุสติยานอดีตกรรมของเขากรรมของเขาก็อาจจะทํากรรมดีก็ได้เขาจึงรวยเขาจึงเป็นภู ผู้ได้รับจดถาบันดาสักอย่างนี้เพราะอไรอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันเมื่อพระอริสเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ท่านก็ตั้งอัครสาวกองค์นี้เป็นสาวกข้างขวานะคือสารีบุตรอันนี้องค์นี้สาวกข้างซ้ายนะโมกคลาอันนี้นะพระอานอนท์เป็นผู้อุปถาจากนั้นทั้งตั้งอัครสาวกั้งแปสบองค์นะอชิติมหาสาวก แต่พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นหลายแสนน่ยเขาก็ทำหนิพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวเห็นแก่หน้าตั้งลูกเศรษฐีให้เป็นอัครสาวกพอกรุงในราชคือเนี่ยเศรษฐีคนนี้รวยจึงตั้งลูกชายของเขาเป็นอัครสาวกพระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่บุปกรรมของเขาสารีบุตรในอดีตชาติของเขาเนี่ยเขาตั้งความปรารถนาอย่างนี้กี่ภพกี่ชาติแล้วนี่ ชาตินี้เป็นชาติที่เขาจะได้เป็นอั克拉สาวกเราให้ตามบุญวาสนาบารมีที่เขาตั้งใจไว้ในอดีตเนี่ยหลาท่านมองในอดีตแต่คนปัจจุบันมองในปัจจุบันก็อิดฉ้ากันเพราะฉะนั้นสิ่งบางสิ่งบางอย่างเป็นบางเรื่องบางราวมาันมาในอดีตอย่างพระโมคคลาก็เหมือนกันเป็นอั克拉สาวกข้างซ้ายแต่ผลในสุดถูกฆ่าตายถูกโจรฆ่าพระองค์ก็บอกว่าใช่อโมกคลา เขาตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นอ克拉สาวกเขาก็ได้เป็นอ克拉สาวกข้างซ้ายคู่เคียงกับารบุตรแต่กรรมของเขาในอดีตเขาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาก่อนเพราะนั้นกรรมตัว น, นั้นเขาเลยถูกฆ่ามาตลอดแต่ถ้าว่าเขายังไม่พ้นทุกโมกขลา ย, ยังไม่หมดกิเลสในชาตินี้ถ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าโมกขลายัยังจะถูกฆ่าไปอีกอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือ มีทั้งกรรมดีมีทั้งกรรมชั่วเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอักกตังดุ ก, กตังเสยโยปัชชาตปฏิดุ ก, กตังก ร, รมชั่วย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นเมื่อเราได้พบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องคิดดูให้ดีคิดคิดดีทาดีพูดดี ถ้าเรามั่นใจพิจารณาอยู่เนืองๆอย่างนี้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้คิดดีทดําดีพูดดีชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราก็จะราบรื่นถ้าว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะกรรมชั่วจะทำให้ผลเมื่อภายหลังพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อทํากับชั่วที่กรรมทำกรรมที่ไม่ดีนั้นพวกเราทุกท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้ขยายผลเมื่อวานในวานหลวงพ่อพูดอดีตกรรม แต่วันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวปัจจุบันนกรรมาการกระทำในปัจจุบันให้ผลเหมือนกันนะบาปเหมือนกันนะ เ, เห็นโทษเหมือนกันนะคนทาปัจจุบันนกรรมก็เข้าคุกเข้าตารางนะแต่ว่าอดีตกรรมก็ให้ผลม า, าใครเขาว่าตกตกหลนหล่ น, ลนไม่ราบเรื่องในชีวิตอนรับพอนอนโมทนารให้พอ